50 languages. Seventy-seven. s e v e n t y e v e n s e v e n t ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ मैं अ प न ाาพาร์คตัวหนาดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะแม่อิ न เนว์ไม่กินเพราะว่าต้องลดน้ำหนักा है ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะทุสีเบียรวคือยังไม่พินเด ดิฉันต้องขับรถค่ะ म ม่อจ गड्डी च ल ा้จัลลดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ मैं इसलिए नहीं प ी र รียค่ะเพราะว่ ज ेม่อจิ๊กก๊ดดี้จัลลอหนีเห็นแม่สเล่ย์ไม่พีเรียค่ะเพราะว่าแม่อีันไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะทุ फ ง क าแฟคิวไม่พินดาทุ่งกาแฟคิวไม่พิं द ी มันเย็นแล้วค่ะทันดีแหดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะแม้สโน่ไม่ปิ้งดาเนื่องจาอาทันดีเหรอแม้สโน่ไมปิ้ดีเนื่อ क จากอากาศทันดีเหรอทำไมคุณไม่ดื่มชาคะตูจาะคิวไม่ปิ้งดาทูจาะคิวไม่ปิ้งดีดิฉันไม่มีน้ําตาลค่ะ म ี र ेกลล์ข ह ้ด์่ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะแม้สโน่ไม่พินดาเพราะว่ามีเกลล์ न ह ीนดैม่ใช่แ้สโน่ไมินดีเพราะว่ามีเคโกลล์ขันด์ไม่ทำไมคุณไม่ทานซุปทุ๊ซิซุปคืออะไรพินเด้ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะแม้อะนี่ม่ m วย ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่ามไม่ได้สั่งค่ะแม่เอ hen ไม่ก้าววังก้าเพราว่าแม่เอ hen ไม่มังวายแมंเอ hen ไม่ก้าंวังกี้เพราंว่าแม่เอ hen ไม่มาไมคุณไม่ทานเนื้อคะทุ नहीं มाีดกี่วันที่ไม่กันดิดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะม शाका हारीहा ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะแม่สโน่ไม่ให้ข้า इ स น้าเพราะว่าแม่สโน่ไม่ให้ข้าวหน้า